เคยเรียนมาจากไหนอาจารน์ี่วาหรือเปล่า น, า น, นี่นี่มือเก่าเหมือนกันคุณต้องคนที่เคยมากับพี่แม่มใช่ไหมเดี๋ยวพี่แม่มเป็นไงบ้างอา้าวทำไมล่ะ <c oughs> ปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติมันต้องอึดๆหน่อยอย่า ก, กลัวนะต้องทนทนหน่อยเพราะว่าเข้าใจยากอ่ะเข้าใจยากมากมันฝืนความรู้สึกอย่างรุนแรงในในการที่เราใช้ชีวิตในทางโลกตั้งแต่เด็กๆมาเราจะทําอะไรต้องพยายามทําเราใช้ความพยายามทําใช้การคิดการวิเคราะห์ อันนี้เราจะต้องเปลี่ความเคยชินมาเป็นการเฝ้าสังเกตไม่ทำอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเข้าใจได้กว่าจะใจจะยอมรับ <c oughs> มีจริงการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยใครๆก็รู้จักอารมณ์อยู่แล้ว <c oughs> ความโกรธเกิดขึ้นเป็นยังไงเราก็รู้ความทุกข์ความสุขอะไรเราก็รู้ทั้งนั้น หน้าที่ของเรามีนิดเดียวว่าอะไรกําลังตักกดกรู้อันนั้นที่จริงเราง่ายสุดขีดเลยแต่ว่าเราถูกสิ่งบางสิ่งปิดกั้นเราไว้ทําให้ยุ่งยากเครื่องปิดกั้นธรรมะทําให้เนิ่นช้ามันมีสามอันเรียกว่าปรปันจะธรรมมีสามอย่างอันหนึ่งคือความอยากของเราเองอย่างโยเนี้ถูกความอยากปิดกั้น อยากปฏิบัติอยากรู้ทำรรอยากค้นทุ๊บพออยากมากๆก็ดิ้นรนมากยิ่งดิ้นรนมากเนแทนที่จะรู้เอานะากลายเป็นพยายามจะหาพยายามจะทํามำความอยากเนี่ยผิดกั้นเราไว้กับธรรมะอีกตัวหนึ่งก็คือความคิดความเห็นหรือตัวทิฏฐิของเราเองเราชอบมีความเห็นว่าการปฏิบัติจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้มีแต่คําว่าต้องทําต้องทํามากมายเหลือเกิน อันนั้นเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการทําสมถะสมถะเนี่ยจิตไม่สง บ, ต, งสงบ ต, าาต้องทําให้สงบจิตมีราคะต้องพิจารณาสุภาะแก้มีโทสะเป็นแห่เมตตาแก้เราคุ้นเคยแต่เรื่องที่จะต้องทำํำมาทําจิตที่ไม่ดีให้ดีได้แล้วจิตไม่สงบสงบแล้วต้องรักษาอีกแต่เราคุ้นเคยกับการที่จะต้องทําเอาต้องรักษาเอาเราไม่คุ้นเคยกับการที่จะรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็น เราลืมไปว่าพระพุทธเจ้าสอนบอกทุกให้รู้สมุทยให้ละเราอยากละทุกเหลือเกินเราไม่เคยทำอย่างที่ท่านสอนแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราปฏิบัตินานแนละ้วมีแต่เจริญกับเสื่อมดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมดีขึ้นมาล้วก็เสื่อมความจริงเราไปวัดความเจริญความเสื่อมเลยนะเอาว่าสงบแล้วดีถ้าช่วงไหนฟุ้งซ่านเรียกว่าเสื่อมแล้วเราพูดเอาเองทั้งสิ้น ที่จริงแล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยเจริญแล้วมันเสื่อมมันเป็นธรรมดาของมันเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้ของไม่เที่ยงนั้นกลายเป็นของเที่ยงไม่มีใครทําได้แต่เราฝึกเจนเข้าใจความปิงมันบังคับไม่ได้อยากรู้ความปิ่งก็อย่าไปทําอะไรรู้เอาเหมือนอย่างเราอยากจะรู้จักใครสักคนอยากรู้จักหมอรีเนี่ยเราก็เฝ้าสังเกต เขามีพฤติกรรมยังไงหรืออยากรู้จักว่าโยเนี่มีพฤติกรรมยังไงเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่าไปคิดเอาเองว่าคนคนนี้นิสัยอย่างนี้อย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดเอาคิดเอาไม่ใช่ของจริงหรืออย่าไปนั่งจ้องตาไม่กับคลิบนะเขาจะไม่กล้ากระดุกกระดิกอย่างเราอยากรู้ว่าโยเป็นยังไงนะเราทุกคนชื่อกันนั่งหันล้อมวงนั้นจ้องไว้โยไม่กระดุกกระดิกคิดก็เหมือนกันอย่าไปจ้องใส่มัน ต้องใส่มันแล้วมันก็ไม่กล้ากระดิกกระดิกต้องทําไม่รู้ไม่ชี้ซะบ้างแล้วแอบชำเรืองชำเรืองนานนานชำเลืองทีนึงก็จะเดี๋ยวก็จะเห็น่ะว่าเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะมันเห็นของมันเองแหละในเครื่องปิดกั้นของเราก็คือเรามีความคิดความเห็นเป็นของตัวเองเยอะเกินไปแทนที่เราจะฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ส่านสอนบอกทุกให้รู้สมูทใสให้ละเรากับมีความคิดกวามเห็นของตัวเองจะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ต้องกําหนดอย่างนั้นต้องเอาจิตไปตั้งไว้ที่นี้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยจะเดินจงกรมต้องยกเท้าท่านนั้นท่านนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยจะขยับมือต้องขยับอย่างนั้นอย่างนี้นีท่านก็ไม่เคยสอนเลยเราชอบทําเกินที่พระพุทธเจ้าสอน ทำไปตามความคิดความเห็นของตัวเองที่ว่ามันน่าจะดีเ่ฉะนั้นถ้าใครสลัดไอ้ตัวนี้ทิ้งไปได้ความคิดความเห็นนี้โยนทิ้งไปเลยท่านบอกทุกให้รู้ทุก ค, คืออะไรทุก ค, คือกายกับใจนทุก ค, คือขันห้าท่านเลือกสรุปอยู่แล้วว่าทุก ค, คือขันห้าอุปาทานขันคือทุกเราก็มีหน้าที่รู้อุปาทานขันรู้ขันห้าไม่ใช่หน้าที่ละเทานะ กิเลสก็อยู่ในสังขารขันเนี่ยไปละเขามีหน้าที่รู้เขาเฉยๆไปเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์บังคับเขาไม่ได้ทำทั้งหลายเป็นอนัตต า, าเข้าใจอย่างนี้เราก็เข้าถึงธรรมะเครื่องกั้นอีกตัวหนึ่งก็คือมานะตัวที่หนึ่งคือตัณหาอยากอยากปฏิบัติมากก็ดิ้นรนมากตัวที่สองคือทิฏฐิเจ้าความคิดแจ้าความเห็นทาตามใจชอบไม่ทาตามที่พระพุทธเจ้าสอน ตัวที่สามคือมานะความถือตัวถือว่าชั้นแน่ชั้นหนึ่งอะไเนี่ยนะนะพวกเรายังดีไม่ค่อยมีพวกนี้บางคนมีนะยางมากันเป็นทีมเนะี่ยังมีหัวหน้าทีมลูกทีมเรียนรู้เรื่องหัวหน้าทีมไม่รู้เรื่องหรอกหัวหน้าทีมเครียดกลัวเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยสอนไม่เหมือนที่เราบอกเดี๋ยจะเสียหน้าอนะไรเงี้ยบางคนไม่กล้าถามเลยมานะนะนะจะไปซ่อนซ่อนอยู่ย กลัวว่าขึ้นมานั่งแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเห็นแล้วจะบอกอย่างงั้นอย่างนี้นะเสียหน้ามีเหมือนกันนะพวกลานทำอ่ะไม่กล้าเรียนหรอกมาสุ่มๆเนี่ยนี่สิ่งเหล่านี้เองที่ปิดกั้นเราไว้นะตัณหาทิฏฐิมานะถ้าเราไม่มีตัณหาย่าอยากปฏิบัติอย่ามีทิฏฐิของตัวเองต้องรู้ดูว่าพระพุทธเจ้าบอกทุกให้รู้รู้กายรู้ใจไปละความอยากซะ ถ้ารู้ลงไปถ้าสงสัยก็ศึกษานะอย่าไปกลัวมาถามแล้วเดี๋ยวเสียหน้าเลยอย่าไปกลัว ใช่ใชหน้าที่ของเราก็คือว่าพอเราเกิดความอยากเรารีบรู้ให้ทันรีบรู้ให้ทันไวๆหรือจิตเราเกิดพฤติกรรมเกิดการกระทำงานบางอย่างรีบรู้ให้ไวที่จริงเนี่ยจิตแอบทำงานทั้งวันอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดพอดูก็หลงไปกับสิ่งที่ดูพอฟังก็หลงไปกับสิ่งที่ฟังพอคิดก็หลงไปในโลกของความคิด พอลงมือปฏิบัติก็ไปนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งบังคับยมีพฤติกรรมต่างๆนาน า, นาเกิดขึ้นมีตลอดเรามีหน้าที่คอยรู้ทันให้ไวๆถ้ารู้ทันช้าก็คือเขาแอบปรุงแต่งยาวอย่างแค่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาเอ๊ะถ้าเราไม่ตั้งใจดูเดี๋ยวเราจะเผลอนานจิตใจรู้สึกอยากจะตั้งใจรีบรู้เลยอยากจะตั้งใจละ เนี่ยได้ปฏิบัติเสร็จแล้วถ้าอนว่าอย่าเอานตรงว่ามาดูวิิไที่บอกว่าถ้าเอาปนแต่ว่ามันมีนไอ๋ออย่าอย่าไปจงใจเพ่งใส่อย่ามาเพ่งใส่ตัวผู้รู้ที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าว่างไม่มีจริง ว่างก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ไม่วุ่นวายก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเราก็เฝ้ารู้ไปนะมันก็เกิดดับที่พระท่านสอนอย่างนั้นก็มีเหตุผลคือคนที่หัดดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่จะหลงไปเพ่งความว่างมันมีจิตอยู่สองดวงที่นักดูจิตเนี่ยพากันไปตายอยู่ตรงนี้หมดเลยเกือบหมดเลยดวงที่หนึ่งคือการเพ่งช่องว่างในจิตเพ่งอยู่ในช่องว่าง เห็นเป็นเหมือนจอภาพว่างๆไม่มีอะไรแล้วก็เพ่งอยู่ที่จอภาพว่างๆนั่นนะอีกการหนึ่งคือเพ่งความว่างความไม่มีอะไรรู้สึกแรงก้งหมดเลยแล้วก็ว่างๆก็เพ่งอยู่ในความว่างนั้นนะสองดวงนี้ถ้าขืนเพ่งเข้าไปนะจะเป็นสมถะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าดูจิตแล้วนั่งจ้องจ้องนะคอนเซนเทรตลงไปแล้วจิตไหลลงไปเกาะความว่างๆ น, ะนั่นหลงทําสมถะนะพระที่ท่านสอนก็สอนถูกเหมือนกัน สอนดีที่ท่านบอกว่าอย่าไปปลเุเพงความว่างพอมันว่างๆแล้วก็หัดสังเกตใจของเราเช่นใจเราถลำลงไปที่ความว่างเราก็รู้ทันใจเราเกิดสงสัยว่าไอ้ว่างๆแล้วจะดูอะไรดีรู้ทันว่าสงสัยนี่คอยรู้ทันที่ท่านบอกว่าให้มีสติให้มาคอยรู้ทันตรงนี้แต่ท่านสอนอยากอย่าไปเพ่งความว่างท่านก็ไม่ได้สอนให้กลับข้าง ให้มาเพ่งตัวผู้รู้ผู้รู้นี่เราเพ่งใส่ไม่ได้มันจะกลายเป็นสมถะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอจิตว่างๆแล้วเราก็เข้ารู้ความว่างไปจิตเราไหลเข้าไปที่ความว่างตรงนี้ดูออกไหมที่มันเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกได้ ไ, ม, ไม่เอานะไม่ใช่เอาข้างไหนถ้าเอาข้างไหนก็แปลว่าเราจะเอาทางนี้ไม่เอาทางนี้น ให้รู้ความงงนะั่นคืออารมณ์ปัจจุบันความงงคืออารมณ์ปัจจุบันจิตไม่มีที่ตั้งเราอย่าไปเพ่งใส่เพ่งใส่อารมณ์ก็ผิดเพ่งใส่ตัวรู้ก็ผิดให้ปล่อยให้เขาทํางานไปแล้วเราเป็นคนดูสองตัวนี้เขาทํางานด้วยกันที่เขารู้อารมณ์แล้วตัวนี้นนนยินดียินร้ายรู้ว่รารมณแล้วตัวนี้สุขทุกข์รู้ว่ารมณแล้วตัวนี้เผลอเขาไปจับอารมณ์บ้าง อยู่ตังหาด ก, กับอารมณ์บ้างนะเราคอรู้ทันแต่อย่าไปกี้ใส่ตัวนี้นะถ้ากี้ใส่ตัวนี้แล้วก็มึนไปเลยงงไปเลยรวมความนัคือเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะยึดเอาตัวรู้ล้วปฏิเสธอารมณ์ไม่ใช่จะเอาข้างนี้ไม่เอาข้างนี้นะไม่ใช่เอาของภายในไม่เอาของข้างนอกไม่ใช่เอาของละเอียดไม่เอาของหยาบ ไม่ใช่เอาดีหรือเอาชั่วไม่ใช่ฝึกเอาสุขไม่เอาทุกข์แต่ว่าจิตใจอะไรอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเรารู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆเหมือนเรานั่งดูคนอื่นเขาลําบากไหมให้เพ่งตัวนี้ก็ไม่เอาให้เพ่งตัวนี้ก็ไม่เอาอะไรเนี่ยนะถูกถูกผิดเนี่ยไม่มีความหมาย คำว่าถูกกับคำว่าผิดของที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคือว่าขณะนั้นสภาวะธรรมอะไรปรากฏถ้าเรารู้ตรงที่มันเป็นอันนั้นถูกถ้าสภาวะธรรมปรากฏเรารู้ไม่ได้ก็ทําผิดแล้วอย่างเช่นสภาวะธรรมความสงสัยเกิดขึ้นว่าจะดูตัวไหนดีมีสองตัวจะดูตัวนี้ดีหรือดูตัวนี้ดีความสงสัยเกิดขึ้นไม่เห็นว่ากําลังสงสัยพลาดล้ว เพ่งตัวนี้ก็ผิดเพ่งตัวนี้ก็ผิดทำไมต้องเพ่งล่ะอยากเพ่งใช่ไหมอยากปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยเบื้องหลังการกระทำของเราทุกอย่างจะเพ่งอารมณ์ก็เพราะอยากจะเพ่งไอ้ตัวนี้ก็เพราะอยากนความอยากครอบงำจิตนะการปฏิบัติต้องปลอดจากปัญหาเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาทางานแล้วเราก็ตามรู้ไปเรื่อยรู้ปัจจุบันอารมณ์ไปเรื่อยเช่นนั่งดูไปเรื่อยแล้วสงสัยว่าจะดูอะไรดี รู้ว่าสงสัยเห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ได้ปฏิบัติแล้วแต่อมาพอความสงสัยดับแล้วว่างๆแล้วไม่มีอะไรดูว่างๆสักพักหนึ่งอาจจะเคลิมเพราะมันละเอียดเข้าไปก็้วจักจะเคลิมเคลิมรู้ว่าเคลิม้มรู้สึกขึ้นมาหรือว่างๆแล้วเที่ยวควานว่าจะดูอะไรดีทเที่ยวหาเคยเป็นไหมอ่าเนี่ยรู้ทันว่าจิตสงสัย นะรู้ทันความสงสัยของจิตไปเลยเวลาทีก็เที่ยวดูเที่ยวหาในจอภาพข้างหน้าเรานี้ไม่มีอะไรแล้วว่างๆเที่ยวควานใหนี่ยสแกนใหญ่ว่าจะดูอะไรดีอยงนี้ก็มีเี่ยหาอย่างนี้นะนะฮนะโยเห็นไหลำลงไปดูออกไหมถึงบอกโยไงว่าที่ไปฝึกอยู่นั้นนะ่ะไม่ถูกเลยปลิดกั้นเราด้วย อารการรู้แล้วก็เป็ารรู้คนที่ไม่เคยมาฝึกก่อนเป็นการรู้มฝึกมาแล้วเป็นคือรู้โอ้มีคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยนะจะรู้ได้เป็นธรรมชาติมากเลยรู้ได้ยอดเยี่ยมมากเลย<ม>พวกเคยฝึกแล้วเนี่ยจะรู้จอมปลอมรู้แล้วแข็งแข็งยิ่งฝึกมา ปิดสมถามานะั้ะพอจะดูอะไรนี่น ะ, ะแข็งไปหมดเลยจิตใจในขณะที่คนไม่รู้เรื่องเลยเวลาไปรู้ว่ารมณนะกําลังเผลอๆ อ, อยู่เกิดรู้ว่าตัวเองเผลอเคยรู้สึกไหมเผลอๆแล้วเกิดเฉลียวใจว่ากําลังเผลออยู่ใจนี้โล่งขึ้นมาเลยนั่นนะรู้ที่แท้จริงไม่มีน้ําหนักเลยนะรู้แล้วก็เบิกบานในขณะที่พวกชอบปฏิบัติมากเลยพยายามทํามากเลยจะรู้แข็งๆรู้ไม่เบิกบาน เนี่ยสมัยพุทธการคนไม่เคยฟังธรรมะนะเกาฟังนิดเดี๋ยวเขาเลยปิ้งพวกเราคล้ายๆเชื้อโรคดื้อยาละ <c oughs> เรียนเยอะไปพอฟังอย่างนี้ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้สมูทไทให้ละเอ๊ะจะรู้ยังไงดีอ่ะไม่รู้ว่าสงสัยสงสัยวิธิกิจฉาอยู่ในกองทุกข์รู้ว่าสงสัยบางคนยังมาเถียงนะไปมี เอ๊ะถ้าผมสงสัยแล้วผมไม่คิดผมจะเกิดความรู้ได้ยังไง่ากอ้าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เอาความรู้ศาสนาพุทธสอนให้เรารู้ความจริงความจริงของธรรมชาติทั้งหลายคิดเอาไม่ใช่ของจริงนะมันเรื่องที่เราคิดเอาเอางอยากรู้ความจริงก็เฝ้ารู้ลงไปนั่งอยู่สบายๆเนี่ยเดี๋ยวยุมกัดมันกัดคันคันรั่วคันคันแล้วโกรธรว่าโกรธ กลัวแล้วอยากตกยุงหรือว่าอยากตบยุงนี่ปฏิบัติ ท, ทั้งนั้นเลยแต่ไม่ใช่พอยุงกัดคันเพ่งเพ่งตกที่มันกัดเจ็บๆนี่เพ่งให้มันนิ่งหรือไม่เอาล้ปล่อยมันทําจิตหลบมาจะอยู่กับความว่างๆนั่นไม่ใช่การปฏิบัติการปฏิบัติเราไม่หนีอารมณ์นะไม่หนีอะไรเลยเขารู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นอยากเข้าไปแทรกแซง โยทำอะไรรู้ไหมดูออกไหมโยสังเกตไหมว่าตรงนี้จิตเบิกบานใึ่ไมมได้ความรู้ตัวมันชัดขึ้นมาเองเนี่ยตรงนี้ปลอมนะตั้งใจจะดูรู้ว่าตั้งใจตั้งใจจะดูก็เป็นการทำงานอีกแล้วนะ <S <S เออนั่นนะ่ะที่กั้นเราไว้ปัญหามันพาให้ตั้งใจอยากปฏิบัติ มันทำให้ของง่ายที่สุดเลยกลายเป็นของยากที่สุดเลกัแล้วเียอร่จเนี่ยาก็จะงาพอพอาว่ามีเ็็ไได้ครับได้สิงกจ็บเมาเอออย่างนั้นได้อย่างนั้นเรียกว่าใช้จิตตามืิพัานาได้ ถ้จะรู้ดูเวทนายุงกัดเจ็บให้มันกัดไปดูว่าความเจ็บเพี้ยงไหมเนะนี่ยพวกเวทนาก็าทนเอาถ้าทําปิดตาทุกศาสนายุงกัดแล้วโกรธรู้ว่าโกรธไนะล่ ย, ยุงไปได้ดีใจรู้ว่าดีใจนะในการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรหรอกนะก็จะเห็นอย่างความโกรธเกิดขึ้นแล้วพอยุงไปแล้วความโกรธดับนะเกิดความดีใจ ความดีใจเนี่ยพอเรารู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยความดีใจก็ดับเข้ารู้ไปเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆอะไรนะตรงตำแหนที่บอกว่าเป็นนิพพานคืออย่างชุ่มล้อมไปที่มีโอกาสก็เราคือโอเคเราก็รู้ว่ามีโอกาบแต่ว่ามันถ้าเามีเอเราไม่ได้ใจว่าไม่ถูกแต่ว่ามันมีตัวสอนขึ้นมาว่า เมื่อกี้ธรรมชาติของมันเนี่ยเมื่อกี้มันมเศมันเเรารู้ย่ตความเศษนี้มันยังมีตรงที่เข้ามาสอนตรงตรงนั้นตรงนั้นเป็นตัวความคิดที่แทรกเข้ามานะเป็นสมมติบัญญัติที่แทรกเข้ามาปิดบังอารมณ์ปรมัตัอย่างความคันเนี่ยเป็นทุกขเวทนาทางกายเนี่ยเป็นอารมณ์ปรมัตัความโกรธยุ่งนเป็นอารมณ์ทางใจเป็นอารมณ์ปรมัตัที่เหลือเป็นความคิด คำคิดไม่มีสภาวะเป็นแค่อุบายสอนใจเท่านั้นนองใช้มากๆไม่ดีหรอกใช้สอนนิดๆหน่อยๆพอได้ถ้าสอนมากเดี๋ยวเคยตัวกลายเป็นว่าพอรู้อารมณ์แล้วชอบนั่งคิดจะคิดไปด้วยอะไรคิดสอนทั้งวันเลยได้สมถะพอสอนเสร็จแล้วสบายใจใช่ไหมพอสอนเสร็จแล้วรู้สึกสบายใจทําไปได้สมถะ การนึกการคิดสิ่งที่ดีๆนะทำไปเราได้สมถะอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําเวลาคิดคิดเรื่องอนุสติสิบอย่างนะเรื่องพุทธานุสติธรรมานุสติอะไรเงี้ยถ้าเวลาคุยคุยเรื่องคาถาวัตถุสิบอย่างนะคุยเรื่องมักน้อยสันโดษคุยเรื่องทําทานถือศีลทําสมาธิเจริญปัญญาอะไรนี้คุยกันอย่างนี้นะถ้าคุยเรา คอยคิดแต่เรื่องที่ดีๆคอยพูดก็พูดแต่เรื่องดีๆเนี่ยจิตจะคุ้นกับกุศลจิตของเจะคิดถึงกุศลบ่อยๆอยันนี้เป็นโลคิยากุศลแต่ถ้าอยากให้เกิดสติปัญญาบ่อยๆจะทำไงอยากให้เกิดสติบ่อยๆก็คอยเฝ้าสังเกตสภาวะดูอาการเคลื่อนไหวทางกายเกิดขึ้นก็รู้ทันอาการเคลื่อนไหวทางใจเกิดขึ้นก็รู้ทัน เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายผ่านไปผ่านมาค่อยรู้ทันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ไปถึงจุดหนึ่งจิตคุ้นเคยที่จะคอยรู้เนี่ยสติจะเกิดเองมันจะรู้เองแล้วคราวนี้ตรงที่มันรู้เองเนี่ยของดีเลยอย่างรู้จักเผลอใช่ไหมอย่างคิดรู้จักไหมคิดยตอนนี้คิดอยู่ซ้ำไหมเห็นไหมเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะ เนี่ยหัดหัดชำเลืองดูอ๋อเผลอคิดไปแล้วนะหลงคิดไปแล้วต่อไปพอพอมันหลงคิดปุ๊บสติมันจะเกิดเองมันจะรู้ทันเอาหลงอีกแล้วแตนะ่สติจะเกิดเองตรงที่สติเกิดเองรู้ขึ้นมาเองนะจิตจะเบิกบานมากเลยจิตจะรู้ตื่นและเบิกบานแต่ถ้าสติที่เราจงใจทำขึ้นจะแข็งแข็งกระด้างไม่ค่อยดีอโยทำอะไร รู้ไหมโยเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมว่าจิตเป็นธรรมชาติที่บังคับไม่ได้เรียนเพื่อจะให้เห็นตรงนี้นะไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ได้เศ้าดูไปถึงวันหนึ่งจิตมันสรุปได้ด้วยตัวของมันเองโอ้จิตไม่ใช่ตัวเราจิตบังคับไม่ได้ถ้าเห็นถึงตรงนั้นสั ก, กยัติทิฏฐิจะขาด เพราะฉะนั้นเข้ารู้ลงไปในกายในใจมีแต่ของที่บังคับไม่ได้อย่างร่างกายนั่งอยู่เนี้ยนั่งตลอดไม่ได้เมื่อยต้องเปลี่ยนอิทธิยาบททนไม่ได้หายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องหายใจออกมันทนไม่ได้ทางจิตใจเดี๋ยวจิตใจก็าแอบไปทํางานอย่างง้นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปเพ่งเดี๋ยวไปสงสัยเดี๋ยวไปโกรธอะไรเงี้ยห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานในที่สุดจิตได้รู้ความจริงว่ากายกใจเป็นของที่บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่เราเห็นความจริงแล้วพอเห็นว่ากายใจเป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้สักยทติถีจะขาดสักยทติถีไม่ได้ขาดด้วยการที่เราฝึกจนบังคับใจสําเร็จนะยิ่งไปบังคับมันจนชํานาญก็เป็นการทําสมถะชํานาญยิ่งหลงผิดง่าย ลงผิดว่าเราเก่งเราบังคับจิตได้ยังยงจิตไปทําอะไรทราบไหมเออเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะสังเกตไหว่าตอนรู้ทันมันแค่แค่เรตื่นขึ้นมาะเนี่ยเรามีหนะ้าที่ตื่นบ่อยๆเท่านั้นนหละไม่ต้องทําอย่างอื่นอ่ะนะอย่าฝันยาวรีบกื่นบ่อยๆทําเท่านี้พอยืนยันเลยว่าพอนะฝันแล้วทราบไหม อันนั้นในขณะจิต ท, ที่รู้เนี่ยนะอันนั้นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเริ่มหลงครั้งใหม่นะหลงคิดล้วหรือหลงภาคมันพอมันรู้อะไรแล้วมันชอบบรรยายนี่เป็นความหลงนหลงบรรยายหลงภาคหลงคิดเพราะฉะนั้นพอมันหลงไปเอ๊ะยังไงเนี่ยรู้ว่าสงสัยเลยนั่นปฏิบัติอีกละรู้ทันอารมณ์ตัวใหม่ละเออให้มันได้อย่างนั้น พอจะรู้เรื่องอย่า ง, ยางโยโดนทุกข์มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโหทุกข์มาห้าปีแล้วมสมถะเนี่ยนะคือการที่เป็นการฝึ ก, กจิตใจนะให้มันสงบเพื่อจะพักผอนมีปัสสาเนี่ยเป็นการหัด ตามรู้ความเป็นจริงของกายของใจเพื่อจะรู้ความเป็นจริงวัตถุประสงค์จะต่างกันสมถะทำไปเพื่อให้สงบเพื่อพักผ่อน <c oughs> เพื่อความสุขความสบายนี่ปัสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสบายแต่มุ่งที่เพื่อความการรู้ตามความเป็นจริงวัตถุประสงค์ต่างกันนะนี่เมื่อวัตถุประสงค์ต่างกันวิธีการก็จะต่างกัน สมถะเนี่ยเราต้องการความสงบความสบายอะไรเป็นศัตรูของความสงบกิเลสทั้งหลายเป็นศัตรูของความสงบเช่นราคะทำให้จิตฟุ้งซ่านนะเราก็หาทางแก้ราคะซะเช่นพิจารณ า, าสุภามาแก้กันจิตก็สงบในการพิจารณ า, าสุภาก็จะเป็นวิธีทำสมถะแบบหนึง่งจิตมีความโกรธทำยังไงจะให้หายโกรธ กนะ็แผ่เมตตาจเจริญเมตตาจิตนะก็หายโกรธนะการจเจริญเมตตาก็เป็นวิธีทําสมถะอย่างห น, นะ น, นึ่งจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเรียกว่าฟุ้งซ่านหลงไปทางโน้นหลงไปทางนี้ตลอดเวลาทาให้มารู้ลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปให้ไปหลงไปที่ให้มันรู้อยู่เรื่องเดียวนะพอมันมารู้อยู่ในที่เดียวนานมันก็สงบหายฟุ้งซ่าน การทำอานาพนสติก็ได้เป็นสมถะอย่างหนึง่งมีวิธีตั้งสี่สิบวิธีของสมถะเพราะว่าศัตรูของความสงบนี่มีหลายตัวอันนี้สมถะนีวิปัสสนาเนี่ยเราต้องการรู้ความเป็นจริงเราก็เฝ้ารู้เฝ้าสังเกตเอาอยากคิดเอาคิดเอาไม่ใช่ของจริงนะคิดได้ความคิดใช่หรู้เอานี้ได้ของจริงเพราะงั้นต้องคอยรู้สึกเอา ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้สึกที่อ๋อความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธดับไปความโกรธนี่ไม่เที่ยงนี่ไม่ต้องบรรยายนะอันนี้จิตมันจะเห็นเองแต่ถ้าจิตมันชอบบรรยายมันห้ามไม่ได้มันก็บรรยายบรรยายไป น, นานๆจะรู้เลยว่าการที่มันคอยภาคนั้นน่ะนําความทุกข์มาให้จิตจะมีความทุกข์ที่มันคอยพูดเป็นภาระต่อไปมันก็จะเลิกพูด แต่ถ้าเราคิดว่าการที่จิตคอยภา ค, คอยบรรยายดีนะมันยิ่งบรรยายใหญ่ยิ่งนั้นมันจะยิ่งอธิบายละเอียดละออมากขึ้นเรื่อยๆอะยิ่งฟุ้งนะั้นไม่ดีเราไม่ต้องการความคิดเราต้องการความจริงไงั้นไม่ต้องไปคิดเอาเราต้องการความจริงธรรมชาติของจิตเมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วมันมันมกจะ ก, กระเทือนกระทบอารมณ์ทางตาที่ชอบใจอย่างนี้ใจก็กระเทือนยินดีพอใจ มันได้ยินเสียงด่ามันกระทบอารมณ์ทางหูจิตก็โมโหไม่พอใจพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันกระเทือนหน้าที่ของเราก็รู้การกระทบกระเทือนนี้แหละจะเห็นเลยว่าโอ้ปรเดี๋ยวใจเราก็พองนะได้ยินโทรศัพท์มากาลังชี้เกียดรับโทรศัพท์ได้ยินโทรศัพท์มากกบ่อยๆลาคาญยกหูโทรศัพท์ม า, อ, อ, า, มาอ้าวกลายเป็นเพื่อนรักเราไม่เจอกันนานลาคาญดับไปเป็นดีใจแทน เฝารู้ลงไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เฝ้ารู้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนั่นแหละวิปัสสนาล่ะเพราะฉะนั้นจะต้องปล่อยให้เขาเปลี่ยนแปลงนะอย่าไปตรึงเขาให้หยุดนิ่งไม่เพ่งใส่อารมณ์เพื่อจะให้อารมณ์เบืออันเดียวนิ่งๆไม่เพ่งใส่จิตถ้าเพ่งใส่จิตแล้วจิตจะไม่เกิดการกระเทือนขึ้นมาไม่มีปฏิกิริยาเวลาที่มันกระทบอารมณ์เจะนิ่งๆ เราจะไม่รู้ความจริงว่าใจเราอ่ะเป็นยังไงอย่างธรรมดาเราเป็นคนที่โมโหพอเรานั่งเพ่งไว้เขาด่าเราไม่โกรธ แ, แล้วเราก็นึกว่าเราเป็นคนไม่โกรธความจริงไม่ใช่มันเกิดจากการกดข่มเอาไว้พอเข้าใจไหมนี่สมถะจําเป็นไหมสมถามีประโยชน์แล้วก็จําเป็นสําหรับบางคน มีประโยชน์กับทุกคนนะแต่ประโยชน์นั้นถึงในระดับที่จำเป็นสำหรับบางคนคือคนไหนที่จะเดินในแนวสมถยา น, นี้จ ะ, จะเจริญยิปสนาแบบสมถยา น, นี้คือทำฌานก่อนแล้วก็เอาองค์ฌานเนี้ยปีติสุขอะไรเนี่ยมาเห็นว่าปีติสุขเอกคตาพวกนี้เกิดดับพวกนี้ต้องทำสมาธิสมถานี้เป็นของจำเป็นแต่อย่างพวกเราสมถะมีประโยชน์ ถ้าเราทําวิปัสสนาอยางนี้เราเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเลยเวล า, เรารู้มากๆเหน็ดเหนื่อยเราก็มาทําสมถธพักผ่อนสักหน่อยมีประโยชน์แต่ไม่ไม่ซีเรียสถึงขนาดว่าขาดไม่ได้แต่ถ้าทําได้ก็คล้ายๆมีที่พักผ่อนแต่นักปฏิบัติส่วนมากไม่ได้ทําอย่างนี้หรอกนักปฏิบัติส่วนมากพักผ่อนลูกเดียวพักผ่อนรูปเดียวเลยคือไม่ยอมเจริญปัญญาจะทํำแต่สมาธิ พอเริ่มได้เวลาปฏิบัติแล้วกลางคืนส่วนมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนั่งสมาธิแลพุทโธพุทโธหายใจไปอะไรจะอะไรเอาสงบการที่ทำจิตให้สงบก็คล้ายๆนอนพักผ่อ น, นการที่จิตเจริญปัญญาก็คล้ายๆการทำมาหายินเอาแต่พักผ่อนไม่รวยหรอก น, นอนอยู่ในบ้านเฉยๆตื่นขึ้นมากะว่าจะมีเงินเอยอะแยะไม่มี จิตก็เหมือนกันเอาแต่ทําสมถะโดยหวังว่าทําสมถะแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอก เ, เกิดไม่ได้ปัญญาเกิดจากสติค่อยไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถามว่าหลวงพ่อทําสมถะไหมทำํำนะทําแต่ไม่ได้ทําโดยมุ่งหวังว่าทําสมถะแล้วจะเกิดปัญญาแต่ทาเพื่อพักผ่อน เวลาที่เราจเจริญสติไปนานๆเหนื่อยเหนื่อยเราก็กลับมาทำความสงบให้จิตใจชุ่มชื่นพักผ่อนเราพักผ่อนนิดหน่อยพอสมควรเราก็มารู้ตัวต่อมารู้กายรู้ใจต่อคอยนั่งอ่านกายอ่านใจของเราไปนะนอ่านใจไปเรื่อยๆอ่านแบบอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ใช่ให้ทำตัวเป็นนักประพันธ์นะพี่อย่าไปแต่งซะเอง เราก็ไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือเลยนะให้อ่านเฉยๆหมายถึงกายกใจของเราเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งวิาพากษ์วิจารณ์คอยสอนบางคนชอบสอนกีเลสไม่ดีนะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะหรือคิดเรื่องร่างกายเน่าเปื่อยอย่างนั้นอย่างนี้นัน่นเป็นอุบายเป็นสมถะ ดูไปจนกระทั่งรู้ความจริงว่ากายกับใจนี้เราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเรามจุดหมายปลายทางอยู่ตรงนั้นคือการปฏิบัติธรรมนี่ยมันมีสี่ขั้นตอนยขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าโสดาบันเนี้ถ้าโสดาบันเนี้ล่าความเห็นผิดว่ากายกับจิตเนี้เป็นตัวเราบังคับได้แล้วล่าเท่านี้เองไม่ได้ล่าอะไรมากนี่เราอยากล่ความเห็นผิดว่ากายกับใจ เป็นไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ต้องการเห็นถูกอย่างนี้ละความเห็นผิดว่าบังคับได้ก็คอยสังเกตเอาว่าบังคับได้ไหมควบคุมได้จริงไหมอย่างจิตใจเราเนี่ยจิตใจเราจะไปดูจิตใจเราจะไปฟังเราเลือกได้ไหมก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมนั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสังเกตหสลับไปสลับมาบังคับไม่ได้หรอก พอคิดแล้วเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างเกิดสุขเกิดทุกข์บ้าห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นไหมโยพอเผลอก็คือลืมดูเห็นไคำว่าเผลอก็คือลืมดูคำว่าเพ่งก็คือคอนเซนเทรตมากเกินไปจนกระทั่งลงไปนอนแช่แน่นิ่งอยู่นี่ได้คิดทราบไหมแค่เนี้นะหัดแค่เนี้ยรู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ไม่มีอะไรต้องทําเลย ถัดจากนั้นจิตจะปรุงแต่งต่อเห็นตอนนี้ปรุงต่อแล้วทราบไหมเนี่ยเออมันเปลี่ยนนะนั่นแหละมั น, น, นะมนแสดงความไม่คงที่ของมันเนี่ยเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปนะวันหนึ่งก็จะเข้าใจอ๋อบังคับเขาไม่ได้เนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งวันน่ะเกิดดับทั้งวันบังคับไม่ได้เนี่ยจะละสั ก, กยทิฐิได้หน้าเหมือนไม่ได้ปฏิบัต เราไปคิดว่าการปฏิบัติคือการทําอะไรเยอะๆทําอะไรยากๆเราลืมไปว่าพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆบอกทุกให้รู้ทุกให้รู้เท่านั้นเองทุกคืออะไรทุกคือขันห้ารู้กายรู้ใจไปอย่าทําเกินที่ท่านบอกเราก็ไปคิดว่าเอ๊ะไม่ได้กําหนดอย่างนั้นไม่ได้เดินอย่างนี้ไม่ได้หายใจอย่างนี้ เ, เหมือนไม่ได้ปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ท่านสอนที่ง่ายกว่านั้นนะตอนนี้จิตทําอะไรทราบไห ม, ม น, นออ น, น, นี่นะรู้ทันเ น, นี่นนยนนออแค่นี้เองง่ายกว่านั้นก็คือแค่รู้ทันเท่านั้นแหละอะไรเกิดขึ้นทางกายรู้ทันอะไรเกิดขึ้นทางใจรู้ทันตอนนี้เขาทําอะไรล่ะทราบไหม เขาหนีวิคิดอีกเห็หมเขาหนีไปคิดอีกนี่เราคอยรู้ไปทีแรกเรารู้ได้แต่หยาบยาบถ้าเห็นกิเลสก็เห็นกิเลสหยาบหยาบแล้วพอฝึกไปเราก็จะรู้ได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรู้ได้เยอะขึ้นฝึกมากๆก็รู้จิตไหวแวบไปทำงานก็รู้ทันนะพรู้ทันความปรุงแต่งดับไปไ็เห็นโอ้จิตโกรธเกิดแล้วก็ดับ จิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตรู้ตัวเกิดก็ดับเหมือนกัน นี่ก่อกกอีกฝ่ายนึงเนี่ยิดแน่ยอยู่ที่จิตอย่างเดียวไม่ออกมารับรู้แล้เกิดอีกฝ่ายนึงเขากำลังรับรู้ว่ากุลอยู่แล้วพอเขาม่นู้วจตทเกิดากตอนั้นเยนน้นเนอืมกับอีกฝ่ายนึงที่เารู้อยู่ี่จอยเดี่อยดรู้โชคกาอยู่แล้วยังไม่ทันย้อนมาดูอืว่าย้อนมาดูสิมไม่ไป ไม่ไปเอาใบเอภูมิเพราะจิตตรงตรงที่จิตเราเพ่งผู้รู้ไว้เนี่ยนะเขาเรียกมหาคาตะจิตตรงนี้จะไปพร ม, มโลกนะส่วนถ้ากิเลสกาลังเกิดอยู่แล้วสติปัญญาเกิดรู้ทันกิเลสในขณะจิตที่รู้ทันนะั่นจิตพลิกจากอากุศล น, นะเป็นมหากุศลจิตเรียบร้อยแล้วเป็นมหากุศลจิตที่เรียกว่ายานสำปรยุทธ์ด้วยประกอบด้วยปัญญา จะเกิดในมนุษย์และเทวดาซึ่งมีสติปัญญาพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาต่ออย่างง่ายๆเลยไม่เหมือนกันคนที่ไม่รู้อกุศลนั่นแหละถึงจะจมลงในอกุศลนะเพราะงั้นจิตเราถูกอกุศลหลอกเช่นฟุ้งซ่านนะนั่งคิดทำน้ำนะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปเกิดรู้ทันว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นกุศลแะ แต่ว่ากูส่วนเก็มีหลายเกรดนะอย่างเราเผลอไปแล้วเราคิดแต่เรื่องธรรมะธรรมโมลูกเดียวเลยก็าตายไปในตอนนั้นนะก็ไปดีเหมือนกันแต่ไปเกิดเป็นเทวดากับมนุษย์จะไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาในทางธรรมทางวิปัสสนาเพราะว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าอย่านวิปยุทธ แต่ถ้ากำลังมีกุศลกาลังโกรธเกิดรู้ทันว่ากาลังโกรธเลยเกิดฟ้าผ่าเพลี้ยตายเลยไปดีเลยให้จิตกาลังเป็นกุศลอยู่อืมรู้ว่าเราเจ็บอื่แล้วี็รู้ว่าเริ่มตระหนักเขาด้วยอืมแต่ว่าเรายังมีอาการรู้ว่าเรอออืมอืมเออ นั่นแะดีถ้าถลํมคือไม่รู้ว่าอาคา่ะถึงจะถลําลงไปถ้ารู้ว blues, <D ress> <D ress> ่าอาคาสอยู่ไม่อาคาสหรอก คาาาัคํคว่ญญขอ ง, งือสติสติปัญญาเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยสติรู้หมดเลยแล้วปัญญาก็ตามทันว่าอันนี้เป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปแต่ไม่ภาคนะไม่ใช่นั่งบรรยายนะถ้าบรรยายหมุนติ้วไม่ได้หรอก <c oughs> นี่อารมณ์มากระทบทางตารับรู้ทันวางกระทบหูรับรู้ทันแล้วปล่อยวางรบทางใจเข้ามาก็ปล่อย สติปัญญามันไล่ทันอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายในใจรู้หมดหลวงพ่อเคยเขียนเป็หมายถามท่านนานนะถามเรื่องปฏิบัติแนละ้วท่านตอบมาสั้นๆบอกว่าให้รู้อยู่ในปัจจุบันนะรู้กายรู้ใจอยู่ในวงปัจจุบันว่าการปฏิบัติมีเท่านี้เองเห็นไห้ใจเราหนีไปคิดครับไหมแค่นั้นนะ ตรงที่รู้ว่าหนีไปคิดนะันน่ะเกิดก่ศดเรียบร้อยแนละ้วจิดสงสัยรู้ว่าสงสัยคนะ ว, วามสงสัยเกิดมันก็หลอกให้เราคิดโยทำอะไรโ ย, โยอืมอืมดีนะตามรู้ไปเรื่อสยสบายสบายอยากเฝ้าแบบซีเรียส น, นะ ไม่ใช่เฝ้าแบบตามให้กับคลิบอย่างนั้นเหนื่อยเฝ้าดูเป็นระยะระยะสบายๆไปทําอะไรทราบไหมเอ อ, อเก่งอย่างนี้แหละฝึกอย่างเนี้ยนะแต่แทนที่จะต้องให้หลวงพ่อเป็นคนบอกนะก็ใครถามตัวเองบ้า ง, างนะเบื้องต้นนะพวกที่ดูเป็นระยะมามัวนั่งถามอยู่นะว่าตอนนี้รู้สึกอะไร อ, ไรอย่างเนี้ยไม่เอานะ <c oughs> ใม่ได้นะ รู้เรื่องไหมชอบทาสมถากันสองคนนี้สมถาก็ดีแต่ว่าเอาไว้เรียนตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเรียนเรื่องวิปั ส, สนาไว้ก่อนแล้วอีกหน่อยไม่มีคนสอนวิปั ส, สนาสมถามีมาตลอดเลไม่เคยว่างเว้นศา ส, สนาอื่นก็มีสมถะ อย่างมุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งจิตใจเขาพักดีอยู่กับพระเจ้าไม่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ไปวอกแวกที่อื่นนั่นก็สมถะตั้งใจไม่ผิดเลยนะแต่ถ้าความโลภกับผิดแต่หลงนาน ตั้งใจตั้งใจคือควรูส้สึก ข, ของใหมายถึงความระอ่ขขาเนื่อละหมันระลึกไว้อืมอมันมันอาจจะดูเหมือนว่าเราตั้งใจแต่ว่าในสภานะที่เร า, าขขขเราไม่ือเราตั้งใจเ่ยเราจะทานด้ตัวที่มันอเออย่างนั้นไปก่อนนะเริ่มต้นโดยการมีปัญหาก่อนแล้วค่อยไปละปัญหาทีหลังไปได้ค่อยไปรู้ทันว่าจงใจไปดูมัน ตั้งใจไปก่อนไม่เป็นไรแต่ว่ารีบรู้ให้ไหวนะรีบรู้ให้ไหวอย่าตั้งใจแล้วทำอะไรไปตั้งเยอะแยะเราไม่รู้ทันก็หลงอีกแบบหนึง่งอย่างถ้าเราปล่อยใจเราสเสสปรศปาทั้งวนนันเลยเราก็หลงไปเอากูส่วนเนยถ้าเราตั้งใจแม่คอยดูคอยรู้นี่นะตั้งใจมากไปนิดหน่อยก็หลงเหมือนกัน แต่ลงยังหลงในทางดีหน่อ ย, ยมีโอกาสพัฒนาเพราะงันเริ่มต้นตึงนิดนึงพอละอย่าตึงเยอะนะถ้าหย่อนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดไปเลยถ้ากลัวอย่างนั้นก็คอยระวังไว้หน่อยแต่อย่าระวังเยอะเดี๋ยวจะเครียดเหมือนโยแก้ไม่ออกรู้ไหมมีการกระทําอะไรรู้ไหมว่ามีการกระทํา มันทื่อๆขึ้นมารู้ไหมมันหนักๆขึ้นมาแล้วรู้ไหมนะมันแน่นๆหนักๆแข็งๆขึ้นมามันทำได้ความเคยชินมาคนเดียวเหร อ, นะอเคยมาไหมเคยอ๋อรู้เรื่องหรือยัง ไม่รู้ว่าคืออะไรใช้ได้แล้วไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรรู้แล้วก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรใช้ได้แล้วรู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปพระโสดารู้แค่นั้นเองนะอย่างพระโกนธัญญาพระกกนทัญญารู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดับไปเป็นธรรมดา แค่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรตรงที่รู้ว่าคืออะไรนะสมมุติบัญญัติอย่างสภาวะธรรมบางานเกิดขึ้นในใจเราเราเห็นสภาวะนี้เกิดระดับใช้ได้แล้วต่อมาถ้าสภาวะนั้นเหมือนกันนั้นนะผุดขึ้นมาแล้วก็มันเกิดเปลแปลงโอ้โทสะโผล่ขึ้นมาคําว่าโทสะโผล่ขึ้นมาเนี่ยตรเนี้ยบัญญัติไม่ได้มีความหมายอะไรเลย ที่สําคัญคือเห็นตัวสภาวะของมันมเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปอันนั้นอะดีละแสดงว่าสติไว <c oughs> ถ้าสติช้ากว่านั้นนัมันจะบรรยายแล้วอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ น, นะรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยโอ้ยยอดของการรู้เลยอนะเคเล่าให้ฟังใช่ไหมที่ในหลวงถามหลวงพรอพุธ ในหลวงตามหลวงพ่อพุธบอกผมปฏิบัติรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยอันนี้รู้หรือไม่รู้นะหลวงพ่อพุธกับทูดบอกนั่นน่ะยอดของการรู้เลยเพราะคําว่ารู้อะไระสมมุติบรญญัติเพราะฉะนั้นคิดนะคิดอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการคิดเพ่งอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่ามีอาการเพ่งหาก็หาอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าหา รู้ธานอาการไปใจลอยทราบไหมเออได้เราไปดูเขาทราบไหมทราบทีหลังเนี่ยหัดอย่างนี้นะไม่ยากอย่าไปคิดมากนะหัดเป็นแบบนี้ง่ายๆแล้วเป็นเร็วคิดมากยิ่งยาก เพราะว่าความคิดของเรามันปิดกั้นความปิ่งไว้หมดเลยถึงบอกว่าทิเที่เป็นตัวกั้นความปิ่งไว้ความเห็นของเราเ น, นี่นแหละตัวดีความอยากก็กั้นความเห็นก็กั้นมันไม่ค่อยชอบเด็กเพราะว่าเด็กไม่กลัวมันหมาน่ะเซลล์จัดมากเลย อย่างมันรู้สึกว่าที่เนี่ยของมั น, นเวลาคนมาเยอะๆนะบางทีไม่ชอบใจมันก็รอว่าเมื่อไหร่จะกลับพอกลับนี่นะมันมายืนลำเยียงนี่มั่งวิ่งตามไปดูว่ากลับแน่นะเสร็จแล้วก็คิดต่อในที่สุดพวาเองก็กลับไปหมด <c oughs> แส บ, บมากเลย <c oughs> โอ้กิเลสหนานะถึงได้เป็นหมา ลำพองมากเลยตอนที่คนกลับไปแล้วกูผู้ชนะบุญของมันตางเป็นคนก็ทำบุญเหมือนกันเลยเนี่ยตายด้วยหมูหะบางคนเวเห็นหมาสุขสบายนะแล้วอยากเป็นหมามีนะ หลวงพเคยเจอหลายคนเลยอธิษฐานทำบุญแล้วขอเป็นหมาฝรั่งพอ้บอกทำไม่ขออย่างนั้น <c oughs> เจอหลายคนแนละ้วอยากเป็นหมาฝรั่งนึ่กแม่หมาไทยก็ไม่เอา <c oughs> บอกตายแล้วมันขออย่างนั้นนะมาะได้เป็นหมาฝรั่งร่ํารวยสวยงาม <c oughs> ทําอะไรทราบไหม <c oughs> เออดอีนี่ล่ะทําไม เผลอรู้ไหมเออทันอย่างเนี้ยนะเนี่ยคอยชํเลืองเราตัวเองเป็นระยะระยะนะเราจะได้ค่อยรู้ทันแต่ว่าอย่านั่งเฝ้านะถ้านั่งเฝ้านั่งจ้องอย่เป็นอย่างเนี้ยมันจะคล้ายๆนั่งเฝ้ามันทั้งวันเลยแล้วตื้อๆอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปนั่งจ้องไว้ปล่อยให้เขาทํางานให้เขาทําไปตามธรรมชาติเป็นไงเผลออีกแล้ว รู้เรื่องอย่างรู้เราอยากทํำไหมหรือไม่อยากทําอยากเล่นเอาภิญญาอือ <c oughs> เอาไปทำไม่อาภิญญาหูวงพ่อฟุตเคยสอนหน้าฟังนะบอกว่ามีคนมาถามว่าจะฝึกให้เหาะได้จะทำยังไงท่านบอกโห้ง่า ย, ยาตายไปไปขึ้นการวินไทยก็ได้เขาหาะหพร้อมกันทั้งหลายร้อยคน มบอกเนี่ยกำลังของจิตคือสติปัญญานะทำให้หอดได้ทีหนึ่งเป็นร้อยๆเลยที่นี่ฝึกแทบทายหอดได้คนเดียวอยู่กับครูบาอาจารย์บทีว่าไปเล่นอะไรไม่ได้นะถูกดุโยทําอะไรเออเนี่ยนะนะรู้ทันเลยนะยนะไรรู้ทันเป็นระยะระยะไปหลงไปแล้วนะ อือเอาครับ้างความจริงฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนะเข้าใจไม่ยากแต่ทําใจยากฟังแล้วก็เข้าใจได้เหตุด้วยผลนะแต่ทําใจให้ยอมปฏิบัติเนี่ยยากนะส่วนมากอยากทําอย่างนู้นอยากทํานี้ให้มันยากยา ก, ยากอ่ะคิดว่าการปฏิบัติต้องยากใช่ไหมพยักหน้ารู้ว่าพยักหน้าปฏิบัติเสร็จแล้ว ย้ายกลับมาดูไอ้ตัวเปิดจุดเองนะคะแล้วมันไม่ไดถึงตัวอืนทีนี้มันไม่ไดคถึงวมันคืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจเพราะมันพยยามไมถึงตัมทีนี้เนี่ยบางครั้งการที่มันพยายามไม่ไ้ถึงตัวมนันอย่างเดียวนี่คืออาจจะสติด บ, บางครั้งอาจจะต็จที่จะต้องสอนสอนในตั ว, วมันดูนะคะอาจจะเป็นกุบาหรือะไรก็รา่าการที่พยายามสอนตัวมันว่าตัวมันเนี่ยคือสภาวะพีายามถามตัวเองนะคะตั้งคําถามว่า สภาพของมันจะเปลี่ยนไปแล้วสภาพของมันมันก็มีความแตกต่างแบบไ อ, อตัวอากาศต่างสภาพของมันแล้วไม่ใช่มันก็เปลี่ยนมาไรื่อยๆตัวคือการที่เราตั้งคำถามแล้วกันปลี่ยนมาเรื่อตัวนีวว้คื่ผิดพลายคะไม่ผิดเลยนะมันมีวิธีที่สบายกว่านั้ น, นคือพอมันไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันเกิดยินดียินร้ายกุศลอกุศลรู้ทันมันอย่าเข้าไปยุ่งกับมันเนี่ยให้รู้ไปเลย ส่วนการที่จะคอยสั่งคอยสอนอหไมันบางครังมันไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่ อ, อคล้ายๆเราเลี้ยงเด็กไอ้ตัวนี้เหมือนเด็กคนหนึง่งเด็กคนนี้เด็กซนมากแล้วเด็กดื้อมากผู้ใหญ่คอยบ่นทั้งวันเนี่ยมันก็ทำเรียบร้อยต่อหน้าเผลอไม่ไหลนะมันจะร้ายกว่าเขาเราจัดการกระจิตเนี่ยเหมือ น, นมันเป็นเด็กสักคนหนึ่งอย่าเอาโซ่ไปมัดมันไว้ อย่าไปเฝ้าเด็กคนนี้แบบตามให้กระพริบนั่นเด็กจะเครียดคือจิตมันจะเครียดถ้าถ้าอย่างนั้นก็คื อ, อว่าเอาตัวมันได้ดยที่ต้องคือให้รู้ทันว่าตอนเนี้ยพอมันไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอะไรแล้วตัวมันแต่ไม่เพ่งใส่นะไม่ใช่ต้องไม่ใช่สอนคือไม่เพ่งกับไม่คิดเอาอันนั้นการทัน ม, มันไม่ทิ้ตัวนั้นลงแล้วก็กลับมาถึงใจใช่ไอตัวนี้ก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งตัวเนี้กลายเป็นอารมณ์อีกตัวหนึ่งนะตัวจิตเองอะ่ะคำว่าธรรมารมณ์คือธรรมชาติที่รู้ด้วยใจนมีตั้งแต่รูปบางอย่างอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนนี่รู้ด้วยใจเจตสิกทั้งหมดเลยเช่นกุศลอกุศลสุขทุกข์นี่รู้ด้วยใจตัวจิตเองเนี่ย จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ด้วยใจนะบัญญัติคือความคิดนึกทั้งหลายรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจห้าอย่างนะจิตเจตสิกรูปนิพพานกับบัญญัติทั้งหมดนี้รู้ด้วยใจนะรูปบางอย่างรู้ด้วยใจที่เหลือรู้ด้วยใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปเลยพวกนี้ยเป็นอารมณ์ได้ทั้งหมดเลยเป็นของที่ถูกรู้ได้ทั้งหมด ฉะนั้นเวลาเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเรารู้าอารมณ์นี้อารมณ์นี้เป็นตัวอารมณ์แต่เลาเราหันมาสังเกตตัวนี้ไอ้ตัวนี้กลายเป็นอารมณ์นะแล้วยเป็นตัวถูกรู้สังเกตไ่ามีคนหนึ่งเที่ยวสอนอยู่แต่อีคนนี้อย่าเที่ยวหามันอีกนะหามันเจ้่ซ้อนเข้าไปเรื่อยๆสังเกตไม่ว่าอันนี้ไม่ใช่จิตซะแล้วกลายเป็นอารมณ์ไปซะแล้ว ไอยู่ับไอ้ตัวที่กาลังสองตัวมันแต่พอท่าอาจารยบอกก็เลยมีความรู้ึกว่ามันมีเภาวันที่ที่ัที่มันรู้ไอตัวนี้ท่อ้ตัวมันทีนี้เก็เมื่อเมื่อมันมีท่านาจารย์ินาก็เลยนึกว่ามันมีตัวนที่รู้ไอทีนี้เนี่ยแต่อราวันตัวท้างในที่จะนรู้เ่ยมันไม่ใช่ตัวที่เห็นที่งะแต่ทีนี้เนี่ย ตัวนั้ น, นะหาไม่ได้ถ้าคืนไปคิดนั้นมันก็กลายเป็นตัวถูกรู้อีกหนะลวงปู่ดูลถึงบอกว่าอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตหาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอ<ม>เพราะฉะนั้นเราแค่รู้อารมณ์แล้วรู้ว่าจิตเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมานจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันนี้สุดจิตจะรู้าอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาตัวจิตเองก็บังคับไม่ได้ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์พอรู้แล้วปล่อยสองตัวทิ้งไม่ใช่ทิ้งมือหนึ่งมือหนึ่งเกาะเอาไว้แต่แล้วมันทิ้งทั้งคู่เลยทิ้งทั้งสองฝั่งความรู้แจ้งเกิดจากตัวที่มันปล่อยสองมือเลยไม่ใช่เกาะตัวนี้ไว้นะฮะปล่อยตัวนั้นไปสังเกตไหมตัวนี้ก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ตัวเดี๋ยวก็หลงรู้ออกไหม เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไหลไปอยู่ทางโน้นเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ทางนี้เนี่ยตัวผู้รู้เองก็เอาเป็นที่พึ่องอาศัยไม่ได้เพราะเป็นของแปลกปลวนแค่จันมหาบัวท่านบอกว่าถ้ามีตัวผู้รู้เคยอ่านไหมเคยฟังไหมท่านเทศที่ดอยธรรมเจดีท่านบอกท่านอยู่กับผู้รู้นี่ตั้งเจ็ดเดือน พยายามรักษาผู้รู้ให้คงที่ให้มันดีตลอดนี่ใช้เวลาอยู่เจ็ดเดือนท่้นเกิดฉเฉลียวใจเอจิตผู้รู้เนี่ยเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดียเด๋ยวผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองตัวจิตผู้รู้ที่อุตส่ารักษาอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ ไ, ด, ไมญญาาด้ไม่ใช่ตัวเราพอสติปัญญาทันว่าจิตไม่ใช่ตัวเราผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยวาง นลที่ท่านบอกว่าทำแท้ๆก็ดีบผางขึ้นมาเลยอะรหัตมรรคก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะรู้ความจริงว่าผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ยึดไม่ได้อุตสาหนุถนอมอยู่ตั้งเจ็ดเดือนในสุดมันก็เสื่อมท่านจารย์สิงห์องก็สอนจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เสื่อมนะ มันของเปลือบ ม, มันต้องเปลือมนี้ความคิดความเห็นส่วนตัวของเราพยายามฝึกให้มันคงที่ให้ดีคงที่พระอราหันต์ไม่ใช่คนที่ฝึกจิตให้ดีคงที่นะแต่คือคนที่ไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ต่างหากเห็นไหมว่าคุณพยายามจะเอาตัวนี้ใช่ไหมพยายามสอนตัวนี้ให้เป็นคนดีพยายามสอนมันอยู่แต่เสร็จแล้ววันดีคือดีมันก็ทอรยศ หนีไปทําชั่วยได้อีกเนี่ยฝึกมากๆเข้าเนสุดรู้ไว้ไตัวเนี้บังคับไม่ได้ไอ้ตัวนี้ไร้สาระมาแต่ต้นแล้วดูง่ายไอ้นี่ยรู้สึกของเรามันเป็นของเรารู้สึกไหมมันคือตัวเรารู้สึกไหมนี่แหละสักยติทิฏฐิพอเฝ้ารู้ไปถึงจุดหนึ่งไอ้นี่เอาไม่ได้รับสามไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราสักยติทิฏฐิจะขาดไหมักยติทิฏฐิขาดไม่ใช่เพราะว่าฝึกไอ้ตัวนี้ให้ดีนะ แต่ว่าเพราะเห็นความจริงไว้ตัวนี้เอาไว้ไม่ได้เข้าใจไหมแต่ว่าการที่จะเห็นความจริงของไอ้ตัวนี้อต้องเฝ้ารู้ไปให้เห็นว่ามันแปรปรวนไปเรื่อยๆการที่จะเห็นความจริงของตัวนีคือสิ่งที่เคยสอนะแล้วก็มันมีามรู้สกว่าคือไม่คิไม่สนใจไอ้ตัวนั่นแต่ว่าไอ้ตัวนี้คมันมีันมมีความรู้สึกว มันเป็นการที่จะอนตัวนีนแต่ว่าคือมันเคยชินกับารสอนค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอพอเมื่อไหร่ที่ไม่มีการสอนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไหลไปอยู่กับ้างแต่พอ่อไห่ที่มีการรู้แตกว่ามันสบายไม่ไหลลงไปเพราะการที่คอยพากไว้เนี่ยนะสอนอยู่เรื่อยเป็นสมถะเนเ่ยมันรักษาตัวนี้ไว้แต่รักษาตัวนี้ไว้ก็ได้นะทำอย่างที่ทำคอยสอนอยู่ แต่สังเกตนิดนึงว่าเนี่ยเราหวงแหนในตัวนี้มากเรารักเรายึดถือสิ่งนี้มากเนี่ยรู้ให้ทันตรงความรักความหวงแหนมันเนี่ยเนี่ยกิเลส ท, ที่ซ้อนอยู่ตรงนั้นนะเรามัวแต่ระวังกิเลส ท, ทางนั้นเอาจิตหลบออกมาอยู่ทางนี้คิดว่ากิเลสไม่มีหร้อกิเลสอยู่ที่จิตเราก็รักเราก็หวงแหนอยู่ในจิตเราจิตคือตัวเรารู้สึกไหมว่าเรา นั่นแะดูไปนะวันหนึ่งเห็นความจริงว่านี่ไม่ใช่เราเนะีายติที่ขาดมรรคผลก็จะเกิด <c oughs> ทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะ <c oughs> เอาอีกนะแค่นี้ไม่พอยังไม่ปลอดภัย <c oughs> คือแต่เดิมเนี่ยคุณเข้าใจว่าการสอนเนี่ยนะจะทำให้มันรู้ทำ <c oughs> นะตอนนี้เปลี่ยนใหม่สอนเพื่อไม่ให้มันหลงไป สอ น, น, นเพื่อจะคอยมาสังเกตอีกทีว่ามีกิเลสยึดถือตัวนี้อยู่ก็ได้การสอนนั้นไม่ใช่เพื่อให้รู้ทำนะสอนนั้นเป็นแค่อุบายเพื่อให้ตัวนี้ทรงตัวอยู่เพื่อเราจะเรียนมันเรียนจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราทำอย่างนี้ก็ได้ในการปฏิบัตินี้มันพลิกแรลงได้สารพัดนแต่อย่าไปคิดนะว่าฝึกตัวนี้ดีแล้วมันจะสาเร็จ มันเหม no no so, so, sort of so, so, ือนลงรู้ที่ดีแล้วแต่กนทไม่ได้ีนี่ก็คือล้ว่ไอ้ตัวข้างโน้ตค่ะไม่ใชตัวจิตอืะแต่ว่ามันยังหาจิตแท้ไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าคือมันรู้ว่าตัวข้น้ตเนี่ยมันมจิตท้มันมีสภาวะบางครั้งก็คือมันเห็นว่ามีโชวข้นมตแล้วมันก็มีตัวที่เ็นะคะแต่บางครั้งมันก็ไม่มีแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีตัวแลกขึ้นมาว่าภาวะตรงนั้นไม่มันคือโยมเลยไม่แน่ใจว่า เ, เ อ, อย่าไปหาไอ้ตัวนูน้นเอย่าไปหาตัวที่ใช่นะะหาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอถ้าเกิดลังเลรู้ว่าลังเละเนี่ยปัจจุบันอารมณ์ความลังเลเกิดขึ้นแล้วความลังเลก็คือไอ้ตัวนี้นั่นเองอะตัวล่างตัวล่างแต่ว่ามันขึ้นมาแนบอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหเพราะว่าพอเราเอ๊ะมาถึงตรงนี้นะอตัวนี้ยังถูกรู้ได้อีกใจก็เกิดลังเลลังเลซ้อนขึ้นที่นี่ กวจริงมันก็คือของที่อยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนที่หลอกชไมต่จริงๆแล้วในสภาวะบางครั้งรู้ทันว่าทีมันมีขึ้นมาว่ามันมีตัวพูขึ้นมาว่าเออใรป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าไอ้วที่มันพูดขึ้นมาเ่ยมันผิดนี้รู้ว่าไอ้ตัวที่มันผิดคือตัวรู้สภาวะที่รู้จริงๆอ่ะตรงนั้นตรงนั้นจริงๆเนี่นะตัวรู้ไม่เงียบตัวรู้ก็คือตัวสติตัวปัญญานั่นแหละ ตัวรู้ไม่มีนะตัวในดูในขันห้าไม่มีคําว่าจิตมีแต่วิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวหาจิตเพราะจิตไม่มีเรางปู่ดูลยสอนสอนมากมากเข้านะสอนไปถึงจุดที่บอกว่าจิตไม่ใช่จิตนะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตยังมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์อยู่แต่ไม่มีตัวไม่มีตนที่จะหาได้ หาเท่าไรก็ไม่มีเาถึงตรงนี้รู้สึกยมว่ายากมากที่คือว่าตรงคาวาของไอ้ตัวน้ามันมันเหมือนน้าแล้วมันมนจะสิตพอมถตรงตัวรู้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนถูกิดแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันถูกหาแล้วมันหาที่ปอมัน้มันอยากปล่อยรู้ว่าอยากปล่อยมันมีโทสะรู้ว่ามีโทสะ มันสงสัยรู้ว่าสงสัยตรงนี้นะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะปล่อยจิตของเราให้เป็นอิสระเพราะจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปช่วยเขาแหกคุกนะเขาแหกเขาเองถึงวันนึงเขาแหวกออกมาเองปล่อยมันไปมันอยากไม่ฉลาดแต่ว่าสังเกตไหมสิ่งที่เราควรจะรู้ทันก็คือความยึดถือจิตของเราเนี้ยรุนแรง เราอยากให้จิตของเราดีอยากให้จิตของเราหลุดจิตของเราเราถูกขังอยู่ในที่แคบแคบบางคนรู้สึกเหมือนถูกขังในในโอ่งน้ําปิดฝาด้วยบางคนเหมือนอยู่ในแคปซูลแคบแคบเทารู้ลงไปเรื่อยๆให้เขาทาลายออกมาเองแต่ถ้าใจเราหงุดหงิดใจรู้ว่าหงุดหงิดอยากหลุดพ้นรู้ว่าอยากหลุดพ้น ถ้าเราดูลงไปเราจะยึดถือจิตรุนแรงเรารู้สึกว่าจิตนี้คือตัวเราตัวเรากำลังถูกขังเราจะต้องแหวกที่คุมขังให้ได้จะต้องหนีให้ได้ไมยเราลืมดูตัวนี้กิเลสหักละ่ะมันหลอกเราอะไรนะหมออืมอืม คืออา่อย่างเวลาที่เขาเราเมากนีะครับเช่นเขาจมาับตาในขี้มือเิดขาจะรู้ว่าถ้านับไปเราเข้อปาอืมามีตัวรู้หรอไม่ไม่ใช่หรอกนะแต่มันก็มีสติอย่างโลกโลกอ่ะมีความยักยั้งชั่งใจอไเงี้ยนะไม่ใช่ตัวผู้รู้นะ เน่นยกย่องหมาเยอะไปหมาเจริญสติไม่ได้หมาทาสติปัฏฐานไม่ได้หมาทาวิปัสนาไม่ได้ ไ, ได้ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยมีหมาตัวหนึ่งหมาตัวนี้ถือศีล น, นะอย่างเป็นหมาตัวเมียตัวเบลเลอร์เลยลูกแมวหรือหมาในหลงเข้ามาในบ้านตัวเล็กตัวน้อยมามาให้กินข้าว ข้าวของมันเนี่ยนะเป็นหมาประหลาดนอกจากมันจะไม่กัดสัตว์ที่เล็กกว่าแล้วนะมันยังให้ทานได้ด้วยมันจะปล่อยให้สัตว์อื่นกินข้าวก่อนพอกินเสร็จแล้วเหลือแล้วมันถึงจะไปกินมรู้จักให้ทานไว้เอาของ ว, า, วางไว้นี่ไม่เคยขโมยนม่มมีศีนข้อสองแต่เรื่องประพฤติผิดในการมเรื่องแบไม่รู้นะไม่ได้ตามเฝ้าไม่ห่าส่งเดชหมาตัวนี้ไม่มุสาวา ไม่เคยกินเหล้าด้วยไม่คาาสัตว์จเจริญเมตตาให้ฐานตายไปสุขติได้ไไดคือเขามีอุปนิสัยอ้าก่อนก่อนที่จะพลากมาเป็นหมาเนี่ยงั้นร้านได้นะแล้วเราอย่าประมาทพลาดพลานง่ายเลยจเจริญสติเอาไว้ รู้สึกตัวบ่อยๆ อ, อย่าให้ใจเผลอใจหลงไปเป็นสัตว์นี่เพราะว่าเผลอนะเพราะโมหะเผลอลอไปหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยเผลอไปแล้วคุณเสื้อสีฟ้าฟังนะลองไปฟังใหม่ทำความเข้าใจที่ทำอยู่มันก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่า ใจเราต้องเด็ดเดียวในการที่จะต้องรู้อย่างกล้าหาญเรามาักจะกลัวว่ารู้อย่างเดียวมันน้อยไปต้องช่วยมันทำอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยมันจะได้หลุดพ้นเร็วๆเราไม่รู้หรอกว่าการ hey, ช่วยๆนั่นแหละกั้นมันไว้กั้นการรู้ของเราไว้ให้ไม่เป็นธรรมชาติทำอะไร <c oughs> คิดรู้ว่าคิดยังคิดไม่เลิกใช่ไหมยังไม่หลุดออกมาดูออกไหม <c oughs> มอรีมีอะไรไหมยมอรีมอรีก็รู้สึกไปนะการรู้สึกสัวของเราหลวงพ่อบนตรีครับมีหลายขั้นเรามาถึงตรงนี้แนละ้วแล้วมีการรู้เนี่ยรู้ที่ดีกรีของความบริสุทธิ์ในการรู้เนี่ยมีหลายอัน ค, ค่อยรู้ไปเรื่อยอะไรที่ยังแปลกปลอมอะไรที่ยังตั้งใจทำขึ้นมาจงใจรักษาอยู่หน่อยๆอะไรเงี้ยก็ยรู้ทันมันมันจะเป็นธรรมชาติ หวงมันเพราะว่ามันคือตัวเราเราจะทํามันให้ดีให้ได้เลยจะทํามันให้มีความสุขให้มันพ้นทุกข์ไม้กิเลสล้วนๆหลอกเราแต่เราจะเข้าดูไปเรื่อยนะจนรู้ว่ารักษาไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ฝึกจนรักษาได้นะฝึกยังไงก็รักษาไม่ได้การอุบายที่จะทําให้คุณใช้มไม่ได้ก็คื้ว่าอุบาทมีความรู้สึกว่าอยากจะ บทาใรรัษาู้ทันรู้ทันนะพระพุทธเจ้ามีอยู่คําเดียวในมหาปฏิปฐานคือรู้ชัดรู้ทันจิตมีโลภะรู้ว่ามีโลภะอยากรักษาเราทําเราเป็นลูกศิษพระพุทธเจ้าไม่ใช้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าท่านมีแต่คําว่ารู้ในปติปทานนะ ได้แต่อย่าไปหาจิตนะจิตเห็นจิตก็หมายถึงว่าจิตเราเกิดพฤติกรรมอะไรเนี้ยรู้ทันมันรู้ทันมันไปเรื่อยๆไม่บังคับไม่แทรกแต่งถ้าจิตไปบังคับจิตก็ไม่ใช่จิตเห็นจิตใช่ไหมการเห็นก็คือการรู้ธรรมดานี่เองไม่บังคับเขาสัง เ, เกตไหมว่าคอยประคองรักษาตัวนี้ด้วยแล้วก็เลยเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย เป็นมีความทุกข์เกิดขึ้นสังเกตไหมการที่จะรักษาตัวนี้ทำไมรักษาตัวนี้แล้วทุกข์รู้ไหมมันอยากรักษ า, าสมัยสมัยกอที่ปฏิบัตินะมีความรู้สักว่าความทุกข์มากตอนนี้คือว่าตอนนั้นตัวล่าก็คือก็ลดโอเคก็คือขึ้นมาคือก็รู้แต่พอมันพอพอมันมันอยู่ไป ต, ตัวมันรู้สึกว่ามันมันเป็นความทุกข์ที่ที่เหมือนจับ เราเราอยากรักษาก็ทุกข์แล้วเพราะว่าอยากนั้นคือสมูทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อย่างเรารู้ตัวนี้เราไม่ได้จงใจจะรู้แต่พอถึงตรงเนี้เราจงใจรักษาความจงใจหรือความอยากรักษานั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่ว่ามีสภาวะนี้สภาวะนี่มันมันมันไม่ได้อยู่กับที่เพราะว่าบางครั้งนี่มันมีความรู้สึกจงใจจะรักษาแต่บางครั้งไม่มีความ มันภาวะที่มันต่อยเหมกันคภาวะที่มันพอต่อยเนี่ยมันจะรมันจะเกิดธรรมะขึ้นมาเหมือนกันว่าไอตัวตัวตัวที่เราตัวนี้ตอนแรกมันเป็นสติแต่มันเป็นตัวที่เหนือสตินะคะมันเกิดความรู้สึกว่าโอมันมีภาวะนี้ที่เหนือืตแต่ว่าสภาวะนั้นมันมันไม่ได้อยู่ต่หมอดเพราะว่ามันกลับมารวมแล้วก็กลับมาจงใจที่จะรับษารมาด้วยหน้าที่มีอันเดียวรู้ทันว่าจงใจนะมาจงใจแล้วก็ทุก นี่จะเห็นอริยสัตว์ไหมมีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นแต่จิตมันจะยึดนะห้ามมันไม่ได้จิตมันจะเข้าไปยึดอยู่ที่นี้ก็ห้ามไม่ได้ว่าง่ายหมอจะไปละอ่ะงั้นเชิญเลยนะเชินพร้อมๆกันเลย เรามันห้ามไม่ได้แต่ตัวสอนมันปัญญามันเป็นมันเป็นตัวปัญญาขอเราห้ามมันไม่ได้หรอกห้ามที่ให้มันสอนได้แต่ก็ไม่ต้องเป็นมิตรเยี่ไปช่วยไปช่วยเลยรู้แล้ว่วนทิ้งเร็จะดะปัญญาก็ไม่ออก